พระธอเทศนาแผ่นที่76ลงกับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่ายาสีเรียนกับมา วันนี้เป็นวันที่25เมษายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน6พระที่มาช่วยงานหรือมาเตรียมงานวันที่27ที่จะถึงน้องนุ่งทั้งหลายครูบาอาจารย์ทัางหลาย ที่มาล้วนแล้วแต่มีอายุพันศา น, ะะนักธรามญาติโยมโ ล, ลูกหลานถึงท่านจะมานั่งเลี้ยงจากหลวงพ่อไปถาม30พันศาหลายองค์นะอยู่ที่นี่20กว่าพันศา30พันศา10กว่าพันศาที่บวชมาในพระพุทธศาสนาท่านนำล ง, งทรงธรมวินัยมาที่มีอะไรเกิดขึ้นมี ครูบาอาจารย์มีอะไรคือเอาเข้ามาช่วยพอมาช่วยเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างหลบไปอยู่ตามลำพังหาภาวนาของใครของเราอย่างหลวงพ่อลูกหลานเห็นไหมหลวงพ่ออยู่ในป่ารงพงไพในเมื่อมีแต่หลวงตาท่านไม่เยี่ยมยามถามข่าวค้างคลาวจะสมัยท่านยังทรงทัดขันอยู่ ท่านก็ให้พินัยกรรมไว้กับหลวงพอ่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ขี้อวดนะ่พูดตามความเป็นจริงจริงไหมทําไมว่าขี้อวดก็เพราะว่าหลวงตาให้จริงๆการที่ให้พินัยกรรมอท่านก็คล้ายๆว่าท่าน่มอบความไว้วางใจใ ห, ให้ช่วยๆกันดูหนะ้าเมื่อเราตายให้ เก็บดูกหลังฝังดูกข้างเนอถ้าเป็นโบราณเขาพูดกันนะแต่นี่ยหลวงตาในท่านพูดว่าให้ดูแต่หลวงพ่อเองทั้งที่เป็นพระป่าพระดงก็ไม่ออถนัดในการออกข่าออกข่าวหรือว่าออกชุมชนก่อนหน้านี้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหม เ, ออเห็นไหมที่หลวงพ่ออินกระโดดโลดเต้นออกไปออพวกเราคงจะเห็นแต่ในวัด อยู่แบบเงียบสงบแ ต, นนแต่พอวันนั้นแต่พอวันนั้นพอได้ฟังหรือกันได้รับมอบหมายจากองค์หลวงตาหลวงพ่อเองกระโดดออกไปเต็มตัวเลยทำหน้าที่ดีที่สุดคำวันดีที่สุดคานี้คือดีสำหรับตัวเองไม่ใช่ดีสำหรับคนอื่นคนอื่นเขาจะมองยังไง อันนั้นสุดแท้แต่แต่สำหรับตัวเองเนะี่ยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งใจทั้งวาจาทั้งกายาทําดีที่สุดเพื่อบูชาพระคุณของพ่อคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพ่อแม่าาแมทางธรรมะถ้าจะเปรียบเทียบว่าเลิศประเสริฐกว่าพ่อแม่บังเกิดเก้าพ่อแม่บังเกิดเก้าขันไทยให้ธาตุใ ห, ใ ห, ให้ขันมาร่างกายสังขารมาอันนี้ก็ในระดับหนึ่งแต่พ่อแม่ทางธรรมเนี่ย ท่านให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตัดกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นเลิศประเสริฐกว่าพ่อแม่ที่ให้ทาตขันท่านให้ท่านชูประเด็นที่ว่า น, นามธรรมเลิศ ก, กว่ารูปประทับ เ, เพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้นามธรรมกับเราให้ความรู้กับเราสินอย่างนี้นะสมาธิอย่างนี้นะปัญญาอย่างนี้นะ ชำระกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างนี้นะจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาวเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารต้องปฏิบัติตนดังนี้นะนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ลุงพ่อได้กระโดดออกไปทำหน้าที่ผลที่สุดก็คือบูชาอามิชฌูบูชาคือส่วนหนึ่งอามิชฌูบูชา ค, คือให้ข้าวน้าโภชนาอาหาร ปฏิบัติบูชาคล้ายๆว่าปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์อันนั้นเลิศประเสริฐกว่าอามิชบูชาเพราะนั้นขอให้คณะทายาติโยมลูกหลานทุกๆคนเนเกิดมาทั้งทีชีวิตถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแล้วก็จะทำอะไรคิดซะก่อนไข้ควรซะก่อนเน่ค่อยทำทำแต่คุณงามความดี หลวงพ่อเตือนแล้วบอกอีกว่าพวกเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกต่างคนก็ต่างาจากโลกนี้ไปอย่าทะเยออย่าทะยานอย่าลืมตัวอย่าทนงตนว่าเป็นคนฉลาดเฉลียวฉลาดปาดเปืองยิ่งกว่ามนุษย์ใครทั้งหมดในโลกที่แท้เหมือนกันนั่นแหละ เ, เกิดแก่เจ็บตายในที่สุดเพราะนั้นก่อนที่จะตายเราจะตายอย่างไงตายด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหรือว่าเราจะตายแบบ เป็นบาปกรรมติดตัวอย่างสาหัสเราต้องคิดดูให้ดีพอเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์นั้นคือใครคือคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์ชั้นเอกคือศีลห้าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์พวกเราได้มาคบบบัณฑิตนักปราชญ์ ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราเรียนรู้ดีรู้ชั่วรู้ถึงควรไม่ควรอา่าอยนั้นถึงเราจะอยากทําขนาดไหนก็พยายามหักข้ามการกระทําของเราการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจของเราในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทําแต่สิ่งที่ถูกต้องจะทำแต่สิ่งที่เป็นธรรมพวกเราก็ จะมีแต่ความเจริญผาสุขโดยส่วนเดียวนะวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากนะแล้ววันพรุ่งนี้เนอะคณะสัต ธ, ธาญาติโยมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้านะวันที่ยี่สิบหกนี่กวันนี้ก็สัตยาญาติโยมเข้ามาเตรียมพร้อมแล้วนะแล้วกัวันที่ยี่สิบหกคณะกรรมการจะนาวันนี้คงจะนำของเข้ามาขอให้พระจะช่วยกันดู ในเมื่อของเข้ามาของแจกพี่น้องชาวบ้านก็ค่อยไปเอาไปไว้ที่ที่ไหนที่ได้พูดกันไว้แล้วก็มังนะหลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดซ้ําซ้อนเดี๋ยวก็สับสนสําหรับผู้ปฏิบัติงานนะให้พวกลูกหลานทั้งหลายเคยทํามาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วปฏิบัติยังไงก็ให้ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทําให้งานสําเร็จร่วงไปด้วยดหีหลวงพ่อย้ําแล้วบอกอีกว่างานของหลวงพ่อนะไม่เครียดนะ อย่าเครียดนะหลวงพ่อไม่ให้ผู้ใดเครียดกับงานทำคล้ายๆว่ามันมาพาดมาเกยลรอพวกเราอยู่ในฐานะลูกหลานลูกๆของหลวงพออ่อช่วยกันแบ่งหน้าที่กันทําคนละไม้คนละมือทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความจงใจไม่ต้องคิดว่า เ, เราอยากจะได้หน้าอยากจะได้ตาอยากจะได้ยศได้ยศฐานบรรดาศักด์เราอย่าไปคิดเราทำํำ งานที่มาพบมาพาดมาเกยวัดของเราวัดหลวงพ่อเราเพวกเราต้องช่วยกันทำช่วยกันออกความคิดเห็นช่วยกันจัดทำให้มันสำเร็จรุ่ง่วงเท่านั้นแหละไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดในจิตในใจไม่ใช่ว่างานเข้ามานะหนักอกหนักใจเป็นบ้าเป็นบอไม่ใช่นะทาเท่าที่จะทําได้นะทดีที่สดุด อ, อ, อะไรไมันจะเกิดมันต้องเกิด เมื่อเราทําดีที่สุดแล้วนะในเมื่อเราทำไม่ทําดีละปล่อยปากแล้วเลยเมีแต่หาเรื่องหาราทะเลาะเบาแวงกันมีแต่มัดมีแต่มวยมวยฝีปากทะเลาะเบาแวงกันอันนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยต้องอดทนต้องเข้มแข็งต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเห็นไหมหลวงพ่อไปทํางานที่วัดของหลวงตาพวกเราที่อยู่ใกล้ของห ล, ลวงพ่อนะ พวกท่านทั้งหลายคงจะเห็นหลวงพ่ออดทนทุกอย่างครับถึงพูดอยากพูดก็ไม่พูดพูดก็พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสร้างสรรค์มีประโยชน์เป็นแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังและเพื่อเป็นแนวการศึกษาเท่านั้นแหละที่จะจุแจงแทงให้รั่วทะเลาะบอกแว่งกันหลวงพ่อจะไม่ทำเพราะหลวงพ่อคิดว่านะอีกไม่นานต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างตายไปแล้ว ให้ประกอบคุณงามความดีไม่ดีกว่าหรือที่จะมาเอาเก็บเล็กเก็บน้อยมาก่อการทะเลาะพิวาทกันในกลุ่มในหมู่ในคณะมันไม่ดีหรอกมองกันต้องมองในแง่เหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายถ้ามองกันในแง่ร้ายนะั้มันจบไม่เป็นขวดน้ำคิด ต, ตาเล่ท่นก็เอาแหะนํามาคิดมามาตําหนิทั้งวีทั้งวัน อคนหนึ่งทํำท่าขาเป๋เท่านั้นก็มาคิดอีกทั้งวันอีกมันขาเป๋ทําไมมันขาดีๆนะเออมันทําใจเศร้าหรือเปล่าเหยียดหยามเราหรือเปล่านเออบางทีเขาเหยียบน้ํามันก็ขาเป๋ได้ใช่ไหมเออบางทีมันตาเหล่ขึ้นมามันก็เออเพราะว่ามันมีอะไรเข้าตาของเขาเนี่ะเอออันนี้เราก็ต้องมองในแง่เหตุแง่ผลทุกสิ่งทุกอย่างเออถ้าเขาทําอะไรขึ้นมาเออเหมือนเรื่องของเขาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอีก มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเกิดมาในโลกต่างคนต่างมาต่างคนต่างใช้กรรมของใครของเราต่างคนต่างรับบุญรับกุศลของใครของเราถ้าว่าเราจะไปแบกเอาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนึงก็ตายแล้วเราไปไม่ไหนไม่ ไ, มได้ไปไหนไม่ได้เออเราลงรู้จักกลบรู้จักกลีกนะเออมันจึงจะถึงไปถึงจุดหมายปลายทางเราได้นะไม่ใช่ขวางเขาขวางหน้าแล้วก็เอา้าสู้ซะก่อน จนชนะจะก่อนยังเดินต่อไปอีกมีอะไรปัญหาอีกสู้อีก เ, ออเหมือนกับเราเดินผ่านเข้าไปวัดป่าน่าคำน้อยนี่ยใช่ไห อ, อพอไปถึงจนไม้หมืต้นไม้ต้นนี้ทำไมไม่ไม่หลีกเราเนี่ยฟันพอตัดต้นไม้เสร็จแล้วไปถึงกอไผ่อีกกอไผ่ทําไมไม่หลีกเราเฟันกอไผ่อีกพอไปถึงแม่น้ําอีกเอาถ้าแม่น้ําทำามันมีหลีกเา่เาปิกัน้นขึ้นมาปิดน้ําออกให้แห้งซะก่อนนึงจะเดิน ไปถึงจอมปวกไปเห็นจอมปวกคดจอมปวกให้ลาบซะก่อนยิ่งจะเดินพวกเราคิดดูสิมันจะไปถึงไหนล่ะเพราะอะไรเพราะความโง่เนี่ยถ้าเรารู้จักหลบรู้จักกลีกปรีกตัวรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเฮพวกเราก็ไปสู่จุดหมายปลายทางถึงมรรคผลนิพพานได้แต่พวกเราไปถึงที่ไหนก็เห็นคดนมา เ, าเท่านั้นกับทะเลาะเบาแวงกันจดหัวล้างข้างแตกซะก่อนพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะ สิ่งเหล่านี้นก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนสังคมให้พวกเราคิดนะคณะตราษติโยมลูกหลานนะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่ออินนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในเทน่หนะ